กรรมฐานไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้ทองค่ะแล้วไม่ใช้ข้าวของอะไรเลยนะทําในตัวเองทําในตัวเองนะกรรมฐานแปลว่าฐานะที่ตนที่ทําอุดมสมบูรณ์แบบคือช า, าติจิตประฐานสี่ทำให้อุดมคนที่ขาดติสัมัญญาไม่มีอุดมสมบูรณ์เลยนะขาดตกบกพร่องมากมายไม่มีความสุขในชีวิตเลยใ น, นเมื่อคนเราเนี่ยคุณโยมถ้าขาดความสุขในชีวิตจะรวยไม่ได้ไม่สบายใจรวยได้ยังไง คนที่รวยเนี่ยสมบูรณ์แบบเนี่ยสมบูรณ์แบบในเรื่องกรรมฐ า, านต้องใช้สติปัญฐาสี่ทางสายเอกของผู้เจ้าเท่า น, นั้นถ้างไม่ใช่ทางสายเอกผู้เจ้าเดี๋ยวนี้ประชาชนคนไทยเข้าใจผิดคิดว่าสายศาสตร์เป็นหลักศาสนาแล้วอยคิดว่าผีข้าวจ้าทรงเป็นหลักศาสนาไปหมดแล้วเครื่องรางของครังเป็นศาสนาไปหมดแล้วข้อเท็จจริงไม่ใช่ตรงนั้นผลพลอยได้เครื่องอัญมณีแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยแก่นแท้พุทศาสนามันอยู่ที่ภาวนานี้ อยู่ที่ภาวนาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานเนี่ยมันแก้กรรมได้อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วค่ะเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาแก้ให้ลูกได้คเนี่ยกรรมฐานแล้วก็สร้างบุญได้ดีด้วยบุญคือความสุขความสุขเกิดการจากการชำระใจให้สะอาดทําใจโดยสุดคือองค์ภาวนาถึงจะเป็นบุญถึงจะเป็นครูสอนแต่ชาชนก็โปรดได้รับทราบคนนี้ไว้ด้วย